บทสรุปมนุษย์เป็นสัตว์วิเศษต้องเพิ่มเดช ด, ด้วยฉันทะมิใช่จมัวเป็นธาตุของตันหาถึงตอนนี้ควรจะลงข้อสรุปเส้ทีหนึ่งมีสภาพความจริงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาอยู่ว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชน ย, ออย่อมยังมีตันหา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 วิธีแรกคือละหรือไม่ให้เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงซึ่งทำได้โดยการดับอวิชชาด้วยปัญญาแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอย่างเดียวแต่สำหรับปูทุชนผู้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งล่อเรา้ายาวยวนแล้วเรื่องราวกระทบกระทั่งต่างๆโดยยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานร่างพร้อมอยู่ภายในคอยรอคานรับสิ่งล่อเร้าเป็นต้นนั้นอยู่ตลอดเวลา ถึงจะระมัดระวังนึกอยากจะใช้ปัญญาเพียงไรก็อดไม่ได้ที่จะเผลอปล่อยให้ตันหาได้โอกาสแสดงบทบาทเบาบ้างแรงบ้างจงแจ้งหรือไม่ก็แอบแฝงไม่ที่จุดหรือขั้นตอนแห่งใดก็แห่งหนึ่งผนทางแก้ไขที่พึงเน้นก็คือการพยายามใช้และปลูกฝังชันทะที่เป็นความต้องการสิ่งดีงามขึ้นมาให้เป็นตัวชักนำการกระทำให้มากที่สุด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 จึงยังอยู่ในขั้นของการเลือกเอาระหว่างการดำรงอยู่เพียงด้วยแรงตันหาอย่างเดียวหรือปล่อยให้ตันหาเป็นตัวนําครอบงำพฤติกรรมส่วนใหญ่กับการที่สามารถเชื่อชูฉันทะให้เป็นตัวเด่นขึ้นมาและนําชีวิตให้หลุดพ้นจากอํานาจวงการของอวิชชาตันหาอุปาทานมากขึ้นโดยลําดับข้อควรปฏิบัติก็คือถ้าเป็นไปได้ ควรให้มีแต่ชันธารล้วนๆแต่ถ้าทำไม่ได้ยังยอมให้ตัณหาออกโรงก็ควรหันเหให้เป็นตัณหาที่หนุนชันธะคือเป็นปัจจัยแก่ชันธะเมื่อสามารถสร้างเสริมชันธะขึ้นมานำพฤติกรรมได้ตัณหาก็ถูกควบคุมและขัดเกลาไปเองในตัวอย่างนี้จึงจะเป็นวิธีการละและควบคุมตัณหาตามหลักพุทธธรรม ไม่ใช่ไปคุมไปกักกดไปละลดกันทื่ทอๆยังไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ที่ไปที่มาปล่อยให้อาวิชาสุมตัวหนุนอยู่หลังตัณหาจะยิ่งก่อผลร้ายมากกว่าผลดี